8. ผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายพระพุทธภาสิทธิอลัชิตาเยรัชชนติรัชิตาเยณรัชเรมิจฉาทิฏฐิสมาทานาสัตตาคัสฉันติทุกขติงอภัยเยพยัทศิโนพระเยจะอภัยยะทัสิโน มิจฉาทิฏฐิสมาฐานาสัตตาคัสชันติทุกขติงแปลว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายสมาฐานมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นย่อมไปสู่ทุกขติสัตว์เหล่าใดเห็นสิ่งอันไม่ควรกลัวว่าควรกลั ว, ว, ลวเห็นสิ่งอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัว สมทานมิจฉาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นย่อมไปสู่ทุกขติทุจริตหรือความชั่วเป็นสิ่งที่ควรละอายในการทำส่วนสุจริตความดีเป็นสิ่งไม่ควรละอายผู้ละอายในการทำความดีในการประกอบอาชีพสุจริตชื่อว่าละอายในสิ่งไม่ควรละอายผู้ไม่ละอายในการประกอบอาชีพทุจริตในการ ทำความชั่วชื่อว่าไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านั้นสมทานมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสมทานก็แปลว่ายึดมั่นหรือรับมาไว้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิการสมทานศีลก็หมายความว่ายึดมั่นหรือรับมาไว้ซึ่งสินห้าหรือ8ปดหรือส0บสุดแล้วแต่คาสมทานมิจฉาทิฏฐิสมทานนั้น ถ้าแปลให้ตรงกับภาษาที่นิยมใช้กันอยู่ในสมัยปัจจุบันก็แปลได้ว่ามีทัศนคติที่ผิดคือไปเห็นสิ่งที่ควรละอายว่าไม่ควรละอายเห็นสิ่งอันไม่ควรละอายว่าควรละอายเช่นเห็นความยากจนว่าเป็นสิ่งที่ควรละอายแต่ก็เห็นการทำทุจริตเพื่อแก้ความยากจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าละอายบางคนละอายในการได้เงินมาโดยทางทุจริต อย่างนี้เรียกว่าละอายในสิ่งที่ควรละอายส่วนบางคนขอให้ได้มาเป็นพอใจส่วนจะได้มาโดยทางสุจริตหรือทุจริตเขาไม่ถือค่านิยมของคนสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งนี้เพราะทะาัศนคติผิดไปวงเล็บคือสมทานมิจฉาทิฐิพวกเขาส่วนมากมีความเห็นว่าความสําเร็จทางการเงินหมายถึงความสําเร็จในทุกทางจึงแข่งกันหาเงิน เข้าตัวไม่เลือกว่าเป็นทางใดเกียรติและความนับถือของสังคมเอาไปนอบน้อมให้แก่คนมีเงินและมีอำนาจเมื่อมีเงินเกียรติก็ตามมาอำนาจก็มีมาคนส่วนมากก็เคารพบ น, บนอบน้อมเพราะพึ่งอำนาจและเงินของเขาได้ ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าคนคนนั้นร่ำรวยขึ้นมาโดยอาชีพทุจริตใครจะนินทาว่าร้ายเขาก็นินทาว่าร้ายได้แต่เพียงรับหลังพอต่อหน้า ก็เคารพอ่อนน้อมพฤติกรรมดังกล่าวนี้ทำให้คนทุจริตได้ใจเห็นว่าทุจริตนั้นไม่ได้มีผลทางสังคมจริงจังพวกดาราภาพยนตร์หรือดาราละครนักร้องยิ่งมีชื่อเสียเหม็นข่าวชาวโชว์ยิ่งดังในทางชั่วนายเงินยิ่งจ้างมากคนก็อยากไปดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเงินไหลมาเทมาอย่างดาราหรือนักร้องนั้น เรื่องที่ควรจะละอายแทกแผ่นดินหนีไม่ให้ใครเห็นหน้าอีกจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ควรละอายกับกลายเป็นเรื่องของคนดังไปส่วนคนสุจริตที่ยากจนนั้นสังคมได้ให้เกียรติเขาอย่างไรบ้างหรือเพียงแต่ใครๆพากันพูดเพื่อเป็นคำขวัญปลอบใจว่าอาชีพสุจริตเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพื่อให้คนพวกที่ยึดมั่นในคำขวัญ น, นั้นยากจนต่อไป แล้วพวกที่ทุจริตแต่ร่ำรวยแอบหัวเราะเยาะอยู่รับหลังและประชาชนส่วนมากเห็นพวกสุจริตเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแรนแค้นก็ยิ้มเยาะและสมน้ำหน้าว่ามันโง่เพราะเหตุที่ทัศนคติของคนสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สังคมของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปมากประเทศเต็มไปด้วยมนุษย์ที่หิวเงิน มนุษ ย, ยธรรมเสื่อมถอยไปเพราะมนุษย์ไม่มีเวลาคิดถึงมันมัวคิดถึงแต่เงินเงินและเงินมนุษย์สมัยนี้เชื่อว่าความสุขความทุกข์ของคนอยู่ที่เงินคนทุจริตเท่านั้นที่จะร่ำรวยดังนี้เป็นต้นปัญหาที่อยากจะถามก็คือว่าความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทําให้คนมีทัศนคติอย่างนั้นหรือว่าทัศนคติอย่างนั้นทําให้สังคมเราพบสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจากสมัยปู่ของเรามากความนิยมในคุณความดีของคนได้จืดจางไปกับนิยมลาบยศและตาแหน่งของคนภายในของคนนั้นจะเลวแสนเลวอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถทำตนให้มีลาบมียศมีตำแหน่งใหญ่โตได้และมีบริวารชนิดเลวเหมือนเหมือนกันแวดล้อมแล้วก็เป็นคนมีเกียรตในสังคมเชิดหน้าอ้าปากได้สบายส่วนคนสุจริต แต่ยากจนกลับต้องก้มหน้าปิดปากไม่มีปากเสียงในสังคมพูดออกไปก็ไม่มีใครฟังมาถึงสมัยที่คนละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายข้าราชการบางพวกละอายที่จะต้องขึ้นรถเมล์ไปทำงานแต่ไม่ละอายที่จะโกงเงินหลวงหรือเป็นหนี้โดยไม่ยอมใช้เพื่อมาซื้อรถยนต์นั่งมันเป็นยุค กระเบื้องกับเฟื่องฟูลอยน้ําเต้าอันน้อยกับถอยจมแต่พวกทุจริตที่ลอยอยู่ในสังคมนั้นอย่าเพ้อเหอเหิมลืมตัวนักแม้มนุษย์จะจับมนุษย์ด้วยกันมาลงโทษไม่ได้แต่พันแห่งนรกนั้นไม่เคยเห็นแก่หน้าใครเขาจะต้องได้รับโทษอันสาสมแก่กรรมในนรกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยเป็นอันขาดเมื่อนั้นแหละเขาจะรู้ว่าผลแห่งกรรมชั่วแสบเผ็ดเพียงใด ส่วนคนสุจริตแต่ยังลำบากยากจนอยู่ก็ขออย่าเพิ่งเสียกำลังใจก้มหน้าทำความดีต่อไปเถิดมนุษย์ไม่รู้ไม่ให้เกียรติแต่สวรรค์รู้สวรรค์ให้เกียรติท่านเป็นคนของสวรรค์สวรรค์เตรียมต้อนรับท่านอยู่แล้วเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันารามเมือนสาวสถีทรงปรารภ พ, พวกนิครนมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพิกษุทั้งหลายสนทนากับพวกนิครนว่า พวกนิครนนี้ดีกว่าพวกฉีเปลือยวงเล็บอเจละกะเพราะพวกฉีเปลือยแก้ผ้าหมดส่วนพวกนิครนยังปิดบ้างคือปิดข้างหน้าอยู่บ้างเหตุจะมีความละอายอยู่บ้างออพวกนิครนฟังแล้วกล่าวว่าที่พวกเราปกปิดข้างหน้าไม่ใช่เพราะเหตุผลที่ท่านว่าแต่พวกเราปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองอันเจือด้วยจุลินทรีย์ในอากาศ เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นตกลงในภาชนะพิกษาของเราเนี่ยนนว่าน่าจะเป็นแผ่นผ้าคล้องคอแล้วห้อยลงมาปิดภาชนะที่ถือไปขออาหารจากชาวบ้านเพราะความละอายจึงปิดภาชนะภิกษานั้นและเพื่อป้องกันฝุ่นละอองด้วยเมื่ออยู่ในอินเดียนึกไม่ออกว่าได้เห็นภาพอย่างนี้หรือไม่พูดดังนี้แล้วได้โต้อตอบวาทะกับภิกษุทั้งหลายอีกมากมาย ทิศทั้งหลายไปเฝ้าภาษาสดาทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระทศพลตัดว่าผู้ที่ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายหรือไม่ละอายในสิ่งอันควรละอายย่อมมีทุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าอรชิตาเยรัชชันติเป็นอาธิมีระยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบพระเทศนาพวกนี้คนเป็นอันมากได้ความสังเวชสลดใจขอบวชต่อภาษาสดา ย่อๆเขาก็เข้าใจเนาะ <c ười> คนมีอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยคนมีบุญมีอุปนิสัยปัจจัยไปเคลียร์ใครนิดเดียวเท่านั้นก็แสงสว่างก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ต้องออกแรงเยอะเนี่ ย, ยก็น่าคิดนะต้องเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเหมือนกันเนี่ยให้ละอายในสิ่งที่ควรละอาย ไม่ใช่ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอาย <g iggle> ก็เอาไปคิดก็แล้วกันนะคือ <g iggle> มันกลับกันไปกลับกันมาอยะระหว่างสุจริตกับทุจริตเนี่ย <g iggle> แล้วก็น่าคิดว่าสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไปก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะ <g iggle> เพราะไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย <g iggle> หรือละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายเนะี่ยมัน มัก็เลยให้ทําให้สังคมเปลี่ยนไปสังคมก็เลยอยู่ด้วยความบาดระแวงเพราอเป็นลักษณะนี้ในสังคมก็ยกย่องยกย่องคนประเภทนี้อย่างที่ธนว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงเนี่ยคนดีจะทําอะไรดีๆขึ้นมามันก็ลําบากเหมือนกันนีถ้าอยู่ในกลุ่มของคนผ่านคนชั่วมากๆเนี่ยคนดีก็ปรากฏขึ้นได้ยากเนี่ย สมกับทีทันวาเมื่ออธรรมมันจเจริญเนี่ยธรรมนี่ก็นิ่งอยู่ไม่แสดงออกมาแสดงออกก็ไม่ได้เนี่ยเพราะอาธรรมมันเยอะเนี่ยจนกว่าเนี่ยอธรรมกำลังลดลงน่ธรรมปรากฏขึ้นตึงจะครอบงามพวกนี้ได้เนี่ยก็เป็นข้อคิด9 ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธองค์ทรงตัดว่าอวัชเชวัชมะติโนวัชเชจอวัชชทัสิโนมิจฉาทิติสมาทานาสัตตาคัสสันติทุกขติงวัชันจะวัชโตยัตตวาอวัชชนจะอวัชโตสัมมาทิติสมาทานาสัตตาคัสสันติสุขติง แ, <an> แปลว่าสัตว์ ท, ทั้งหลายผู้มีมติว่าไม่มีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานมิชาทิฐิย่อมไปทุ ก, กติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษธรรมอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฐิย่อมไปสู่สุขติสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษ เ, เห็นทุจริต ว่าไม่มีโทษชื่อว่าสมถานวิชาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติบาปทั้งปวงชื่อว่าเป็นสิ่งมีโทษกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษผู้เห็นบาปเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นกุศลเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่ามีความเห็นผิดเป็นทางดําเนินย่อมไปสู่ทุกขติส่วนบุคคลผู้เห็นสุจริตเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นทุจริต เป็นสิ่งมีโทษชื่อว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้สมทานสัมมาทิฐิย่อมไปสู่สุขติข้อความอื่นนอกจากนี้พึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในเรื่องที่8แห่งวรกนี้โทษนั้นเป็นโทษในทางโลกบ้างโทษในทางธรรมบ้างโทษในทางโลกนี้บ้างโทษในโลกหน้าบ้างโทษในทางโลกเช่นการถูกจองจาการถูกถอดยศลดตาแหน่ง ความยากจนลงเพราะความประพฤติผิดของตนเองและการถูกประหารชีวิตเป็นต้นโทษในทางธรรมนั้นเช่นทำให้ใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านกระวนกระวายไม่สงบสุขลงได้โทษในโลกนี้เช่นการถูกติเตียนการที่สังคมรังเกียจโทษในโลกหน้าเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วเว้นสิ่งอันเป็นโทษเสีย ทำแต่สิ่งอันเป็นคุณย่อมมีความสุขใจในโลกนี้และมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าย่อมบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะความสุขของสวรรค์นั้นมีคุณภาพสูงและปริมาณมากกว่าสุขในโลกมนุษย์ยิ่งนักเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพวกเดรถีมีเรื่องย่อดังนี้ สาวกของพวกเดรัถย์เห็นพวกลูกๆูกของตนเล่นอยู่กับพวกลูกลูกของอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพวกลูกลูกกลับมาจึงให้ลูกปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าจะไม่ไว่า้พวกสมณะสากยบุตรข้าพระเจ้าจะไม่เข้าไปในวิหารของสมณะเหล่านั้นวันหนึ่งลูกของพวกอัญญะเดรัถย์เล่นอยู่หน้าวัดพระเชตวันกับเด็กๆลูกของอุบาสกชาวพุทธ เกิดกระหายน้ําขึ้นจึงขอร้องให้เด็กชาวพุทธเข้าไปในวัดเจตวันไปดื่มน้ําและขอน้ํามาเผื่อพวกตนลูกชาวพุทธไปขอน้ําพระาศาสดาและขอเผื่อพวกเพื่อนด้วยพระพุทธองค์ทรงประทานน้ําแก่เด็กพวกนั้นและตรัสว่าไม่ต้องเอาไปเผื่อใครเด็กที่อยู่ภายนอกให้เข้ามารับด้วยตนเองเมื่อพวกเด็กลูกของเดลอาทีเข้ามาพระาศาสดาทรงประทานน้ําให้ แล้วสั่งสอนด้วยพระธรรมอันเหมาะสมแก่ไวของเด็กจนเด็กได้เข้าใจพระธรรมอย่างทราบซึงปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยและรับสินห้าแล้วกลับบ้านไปเล่าเรื่องนี้ให้บิดามารดาฟังมารดาบิดาของพวกเขาฟังแล้วปริเทวนาว่าลูกของพวกเรามีความเห็นผิดเสียแล้วพวกญาติพากันมาปลอบให้เขาหายโศกพวกเขาคิดว่า ควรพาเด็กพวกนี้ไปมอบถวายพระสมณะโคดมเสียเลยจึงนำเด็กพวกนั้นไปสู่เชตวันวิหารพร้อมด้วยหมูญาติพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูอาสัยะคืออุปนิสัยของชนเหล่านั้นตรัสพระคาถาว่าอวัชเชวัชมติโนเป็นอาทิมีนยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาคนทั้งหมดนั้นได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ตั้งอยู่ในสาระสามแล้วฟังธรรมอื่นอีกได้บรรลุโสดาปฏิผลนอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนะาะแหกแหลกเนี่ยวานไม่ ด, ไมไดี่เป็นความรู้สึกความเห็นบางคนท้าทายพวกพวกท้าก็เลยถูกน็อกก็เลยกลายเป็นนับถือเลยก็มี อันนี้เป็นวรรคที่ยี่สิบสองชื่อนิรยะวัคควันนารวมเก้าเรื่องจบ <c oughs> อายังธรรมตถ า, าสาทธายสมันเตหิสันลเกตาภาเต ด, ดีเยอะนะได้ข้อคิดเยอะถ้าไม่หลับนะมีใครหลับหรือเปล่า <laughs> ถ้าหลับก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลับห <laughs> ลวงพ่อชาติหน่ายงนะั้นถ้าหลับก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลับ <laughs> การฟังธรรมมีหลายอย่างไม่ใช่เลยคนฟังธรรมมีหลายอย่างมีกี่อย่างเลย ลักษณะของคนฟังธรรมคนฟังธรรมจริงๆมีคนเดียวเท่านั้นบรรดานอกนั้นก็หลายวิยาบทมใช่ไหดีโยพวกเราคงไ ม, ไม่เคยเป็นงูมาเนาะถ้าเคยเป็นงูมานอนฟังนอนฟังในงูเหลือมเนี่ยงูเหลือมนี่นอนฟังเอยหรือเปล่าลูกหนูๆมีนอนเปล่า งวงก็ไม่ต้องนอนเนาะเดี๋ยวเป็นงูเหลือมพิงพิงพิงคุณแม่เอาก็ได้จะได้ไม่เป็นงูหมอดูก็ไม่เคยมีบ้างเนาะไม่เคยใครเป็นเคยอยูหมอดูบ้างฟังทำขีดขีดเขียนเขียนนะเทศก็เทศไปมือก็เขียนแต่ว่าไม่เขียนธรรมะทันเทศนะเขียนไปเรื่องอื่นนน เขียนโน่นเขียนนี่พวกนี้เคยดูหมอลงเลขลงยันเลยนี่บางคนไม่ฟังก็ออกไปข้างนอกมองดูฟ้าน่นดูเดือนดูดาวนุ่นพวกนั้นเคยเป็นโหราศาสตร์พทั้นั้นดูดาวมาก่อนไม่ได้ใส่ใจฟังธรออก็มีหลายอย่างนี้ เดี๋ย น, นี้ไม่ใช่พูดเราเองนะพทุทธเจ้าท่นตัดอะไรอย่างนั้นนเพราะว่ามีอุบาสกที่กล่าวนีไปฟังธรรมพทุทธเจ้านี่ที่ว่ามีคนเดียวคือมีคนเดียวเท่านั้นตั้งใจฟังนเนี่ยพระองค์ก็ก็ดังเราเคยอาจจะได้ยินเคยเล่าให้ฟังนานมากแล้วนะลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมสมาเสมอนไม่ได้เลือกเลยนี่ไม่ได้เลือกว่าคนน้อยคนมาก ไม่ได้เรียกว่าคนยากจนหรือเป็นเศรษฐีกุดุมีเนี่ยเมื่อแสดงธรรมก็แสดงธรรมโดยไม่ละลวมจะใช้คำนี้ไม่ละลวมก็คือเสมอกันหมดเนี่ยคือมุ่งที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้เกิดความเข้าใจให้รู้ให้เข้าใจในธรรมนี่ยแล้วเป็นเป็นคนลักษณะใดก็ตามถ้าตั้งใจฟังเนี่ยคนน้อยก็ตามมากก็ตามเหมือนเรื่องที่ว่านี่ พวกนั้นจะนอนจะอะไรก็ช่างแต่พระองค์ไม่ได้มุ่งคนนั้นน่ะแต่มุ่งปณิสัยคนนี้ถ้าได้คนเดียวก็เป็นประโยชน์มากดังนั้นคนนี้ตั้งใจฟังท่านก็เลยแสดงมุ่งให้คนนี้อย่างเดียวเนี่ยคนนี้โอ้โหลึกซึ้งในธรรมเนี่ยพอเทศแล้วอยมองดูเพื่อนเนี่ยไม่ได้เรื่องสักคนเลยเนี่ยเขาถึงเวลาฟังธรรมจบเนี่ยก็อดถามพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าทําไมคนมาด้วยกันฟังธรรมด้วยกันทําไมไม่เหมือนกันะ ก็บอกว่าอย่างเพื่อนมาเนี่ยคนนอนก็มีคนทำอย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ก็เลยที่บายดังที่เราให้ฟังนี่แหละพวกนั้นตาโตเลยตื่นโอ้ก็เลยสังเวชตัวเองนี่ก็เป็นเหตุให้พวกนั้นตื่นตัวมาสนใจธรรมะได้อีกเหมือนกันนะไอ้ที่เขาะว่าโอเป็นงูเขาเป็นงูมาห้าร้อยชาติอย่างเงี้ยมันจะปล่อยให้เป็นงูไปอีกได้เลยอย่างเงี้ยเมื่อพระองค์ว่าอย่างนี้แล้วก็โอ้ตื่นตัว ก็เป็นเหตุให้ระวังสำรวมในโอกาสต่อไปก็มีเหตุมีผลอยู่นะการแสดงธรรมของพระองค์เหมือนกับราชสีนี่ที่เราเรียกว่าบันลือสีหานาทเหมือนราชสีเนี่ยทำไมถึงเปรียบเทียบรักษณะนั้นเราก็ไม่เคยได้คิดเหมือนกันมันเป็นศักด์สิถ้าพูดถึงสัตว์นสัตว์ตใหญ่เนี่ยอย่างราชสีเนี่ยท่านว่าเมื่อตะคุบ หนูตัวเล็กๆ ก, ก็ตะคุบด้วยความระมัดรนะวังเพื่อไม่เสียศักดิ์ศนระีไม่ให้พลาดว่างั้นแต่แม้ตัวเล็กก็ไม่ให้พลาดเนะีนะ่ยคือไม่ละหลวมนะจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ไม่ละหลวมใหญ่สัตว์เล็กก็ไม่ละหลวมนะนั่นเป็นลักษณะของราชสีคือเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติของมันมันะต้องรักษานะพระเจ้าก็เส้นเดียวกันนะ การแสดงธรรมของพระเจ้าท่านไม่ประมาทในธรรมก็คือศักดิ์สิทธิ์ไม่ประมาทในธรรมจะแสดงแก่เด็กแก่ผู้ใหญ่แก่ใครก็ตามเนี่ยถ้าเขามีความตั้งใจก็แสดงด้วยความไม่ละหลวนเหมือนกันเน่ไม่ละหลวนนี่เหมือนราชสีห์ตะคุบหนูอย่างนี้ตัวเล็กก็ไม่ละหลวนจับเอาก็ให้ตายเหมือนกันเอาให้ตายเหมือนกันเอาให้อยู่มือว่างั้นเถอะ ด้การแสดงพระุทธจ้าก็ให้อยู่มือก็คือให้ให้รู้ให้เห็นจริงๆเนะี่ยธรรมะนี่จึงประเสรนะิฐเนี่ยด้านการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์นี่ท่านก็จะดูปณิสัยปัจจัยของคนเนะี่ยถ้าสมมติว่าคนมานั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าดูอาการกิริยานะไม่มีเลยไม่เป็นปณิสัยเลยสะกลนท่า น, นก็ไม่แสดงมันนะ ม, มีประโยชน์อะไรเนะี่ย อันนี้ก็เคยอยู่เหมือนกันเวลาจะพูดอะไรก็ต้องดูทั่วไปก่อนมีสักคนหนึ่งบางคนคนเดียวก็ไม่เป็นไรนั่งเรายิ้มมีความเพลิดเพลินไปกับธรรมนะเออคนพูดก็มีกำลังใจเอคือจะสังเกตดูนะจะมีในกลุ่มเนี่ยบางทีมีหลายคนบางทีมีไม่มากคนสองคนนี่เขามีความบันเทิงใจนะบันเทิงใจในธรรมเท่านั้นแหละก็เป็นที่พอใจนี่ ในการให้ธรรมะถ้าไปแล้วโอ้ไม่ใส่ใจนะหงุดหงิดรู้สึกจะลำคาญอยากจะไปเต็มทีแล้วดูแต่และคนนี่ยก็ต้องยุติเอวังไปไปก็ไปอย่างเงี้น่เป็นลักษณะเพราะอะไรเพราะท่านบากธรรมะนี่ไม่มีประโยชน์กับคนที่ไม่สนใจใส่ใจเนีเน่เหมือนจัดเย็ ด, ยดยให้บวงให้ควายเนี่ย เอาของที่ไม่ใช่อาหารที่มันไม่อยากกินให้มันกินเนี่ยคนอีสานคือข้ยบอกกินกาแสนสิคมก็เข่าหักหมูบอกินห่ำแซนจะ ต, ตีก็ดังเบอร์อร <c oughs> <c oughs> นั่นก็ไม่เขามา้ <c oughs> มันไม่กินไปบังคับขู่เคน็นมันกินมั้งครับควายไม่กินหญ้านะครับาควายไม่กินหญ้าแสนจะขมก็เข่าหักคือตีมันอะไรมันมันก็ไม่กินมันจะไม่กินไง ตีก็เข า, เขาหักเปล่ า, าหมูก็เลี้ยงหมูเอาลำให้มันกินไม่กินตีก็จมูกมันบานเขาดังเวอร์ก็จมูกมบาน<笑><笑>แสนจะตีก็ดังเวอร์อรตีจนจมูกบานมันก็ไม่กินไงหมูจมูกบาน<笑><笑>เป็นสำนวนนี่การบังคับบังคับขู่เข็น มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับจะเหนื่อยเปล่าแต่ก็เลยมาแต่งเป็นกรนหลวงพ่อเจ้าคุณอมนั่นเอเราเป่าปีใส่หูควายให้ควายฟังแสนจะดังแสนดังไม่ได้ผลเหมือนสอนทมแก่คนโง่ตั้งแสนคนไม่ได้ผลเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจัง่ากันก็เป็นทานองนี้แหละทานองอาจารยนพู้ที่ ท่านฉลาดเพราะว่าการแสดงธรรมเพื่อมุ่งให้คนเข้าใจถ้าแสดงเพื่ออามิตรนั่นก็เอยจะฟังไม่ฟังไม่ใส่ใจขอให้ขายเยอะๆก็แล้วกันใส่กันเทศมากๆหน่อยก็พอใจอย่างนั้นคนละเรื่องนะ น, นี่นี่ยคนละอย่างนการแสดงธรรมเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์นี่คือท่านถึงบอกว่าองค์ของการแสดงธรรมไม่แสดงธรรมเพื่อลาภเพื่อสรรเสริญนะ หรือเพื่อให้เขายกย่องหรือกระทบผู้อื่นนคขมผู้อื่นนะยกตนคมผู้อื่นองค์เข ร, รรรวัตถกก็มีนะฮะผู้ที่แสดงธรรมโดยธรรมต้องมีจิตเมตตาปรารถนาให้ผู้ฟังเข้าใจในธรรมน่นั่นคือเป็นลักษณะในแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ลาบเพื่อชื่อเสียงเพื่อยกตนคมทันนี่แต่เพื่อประโยชน์สุขเหมือนพระพุทจาเธอจงไปเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนเนี genius, story, ่ยนั่นก็คือด้วยความเมตตาด้วยความสงเคราะห์นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนการแสดงธรรมก็ต้องอาศัยสัทธาของผู้ฟังเ่ยแสดงไปไม่คิดก็ได้อยู่เหมือนที่สมเด็จนะสมเด็จโตก็มีที่เคยเคยอ่านของท่านเนี่ยน่าจะใช้ เราเรื่องว่านักธรรมกระถึกเทศนะอโอ้โหนี้จะเทศเทศเก่งมากนะวันนี้ถ้าจะเทศให้คนบรรลุถึงนิพพานเลยนี <c oughs> เ่เอาอภิธรรมมาแสดงให้เต็มที่เลยนะกอธิบายอย่างละเอียดลอเลยนะคนมาเต็มสลาเลยนะี่เต็มสลาเนะ่ยจะฟังแมมใครๆก็อยากจะรูนะ้นี่มาก็าต้ก็หลับตาเทศเลยนะเทศไปลืมตาไม่รึงนนะเอา หมดไปแล้วเหลือไม่ครึ่งสลาเลยหลับตาเทศอีกงก็เดี๋ยวอ้าวหมดไปครึ่งสลาใส่ก็ไปอีกข้างหนึ่งอา้าวเหลือยอมย้ำอยู่สองสามคนหลับตาบางทีหมดเกี้ยงสลาเลยยังไม่ถึงนิพพานเลยคนหมดไปแล้วนี่บางพีทรมันดีอยู่นะแต่ว่าอุปนิสัยของคนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ บางทีอย่างหลวงพ่อชางทำทรงสูงมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์เพราะมันไม่ตรงกับอุปนิสัยบางคนพื้นฐานเขาแค่การอธิบายเรื่องการให้ทานรักษาศีลดังนั้นนะแต่ว่าแปะขันปล่อยวางให้เขามันไม่เข้าใจเลยฟังแล้วพอไม่เข้าใจมันก็หมดรสชาติเนี้พอหมดรสชาติก็ฟังฟังทําไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอก็ไม่ได้ผลไง อะไรก็ต้องรู้จักแยกแยะสังเกตครูบาอาจารย์ท่านเทศให้สาวบ้านฟังก็เทศอยู่เพิ่งเพื่อ น, นอยู่รอบตัวเขานั้นแหละอยู่เรื่องกันธรรมะาากินอยู่ในสัมมาทิฏฐิในสัมมาในสุจริตอยู่ในศีลเท่านั้นเนี่ยเทศว น, นอยู่ใกล้ๆตัวเท่านั้นแหละนี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีการแสดงอย่างพุทธเจ้าท่านสอนที่ว่าอนุปพิกขานีย สังเกตดูพระเจ้าเจ้าแสดงธรรมนะเบื้องแรกที่พระองค์ไปแสดงธรรมใ ห, ใหม่นี้จะจะแสดงลักษณะนี้เราอ่านพุทธประวัติเอาใช่ไพระองค์แสดงธรรมเริ่มต้นก็อนุพพิกขาเนี่ยเพราะท่านอุปมาพระธรรมจารย์ท่านบอกว่าอุปมาเหมือนการฟอกจิตใจท่านอุปมาเหมือนเราจะยอมผ้านียอมภานี่ต้องซักผ้าเสียก่อนเนีซักผ้าให้สะอาดเนี่ยสารั อนุบุพิคฐานี่จึงเหมือนการซักฟอกให้เกิดความสะอาดก่อนที่จะรับน้าย้อมเนี่ยเราประชาชนประเทศภาษาชาวบ้านเนี่ยใจพูดภาษาอีสานหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเห็นหมล้วไม่ออกเลยพาเข้าขาวหนะึ่นัเวลามันเปือเปอเป่อนเนี่ยเปื่อนเนี่ก็เปื่อนเล้วสีย้อมเพศจังไดร หรือเอามายอมโลดกันบ่เนี่ น, นี่เราก็จกันเทศอย่างนี้เยอมโล ด, ดก็ได้อยู่มันน่าบ้ ง, บงามได้เลยสีกระดํากระดังมา่นนี่ยคนฉลาดก็ามายอมสักก่อนตัวนะพาสียอมก็มาซักสัก่อนตัวยังยอมได้นี่มันสีมันก็ยังเอาทาแหม่มาท่นเนี่กันเทศอย่างนี้จริงๆนะเวลาซักแล้วสะอาดแล้วจะยอมนี่ ย้อมทำไมเอาทาไมเอาสีหยังเอาทาไมเจ้าสีดําสีเขียวสีแดงเอาทาไมนั่นหมายถึงว่ามันพร้อมนะเนี่ยเมื่อมันพร้อมมันจะย่อมสีอะไรก็ได้เนี่ยอจิตใจถ้ามันดีแล้วมันมีความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเอาทาแมเจ้าจะคิดอคิดมันดีหมดไงจะคิดไปในทางไหนมันดีหมดเนี่ยนั่ก็เลยเทศถึงใจกันเลยว่าเทศถึงใจเนียนั่นเรียกว่าอนุภปิกาาเนีย อนุภพิคาถาคือการซักฟอกให้มันเกิดความสะอาดก็รับนํายอมเนทานศีลแล้วก็พูดถึงสวรรค์แล้วก็ชี้โทษของสวรรค์เนีเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจสิ่งนี้ถึงเทศเรื่องอริยสัจเมื่อพื้นฐานหนีแล้วก็มันสะอาดแล้วเนี่ยพร้อมที่จะรับน้ำยอมคืออริยสัจสี่นี่ย เมื่ออริยสัจสีเข้าไปปุ๊บมันถึงใจปั๊บเลยเนะีนั่นคือสีมันติดเข้าไปดีเลยเนะี่บอกเรื่องสัมมาทิฏฐิพูดเรื่องทุกข์ก็เห็นชัดเลยเนะี่ยพูดถึงเหตุของความทุกข์ก็เห็นชัดเห็นพูดถึงความดับทุกข์ก็เห็นชัดชี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ก็เห็นชัดเนะี่ยนั่นท่านจึงเรียกว่าเนะี่ยอนุบุพิกถาครับแล้วก็แสดงอริยสัจสี่ ส่วนมากก็บรรลุธรรมกันทั้งนั้นเลยเมื่อพระองค์แสดงลักษณะนี้เหมือนเจอยัตสักุลบุตรก็แสดงลักษณะพ่อของยัตสักุลบุตรก็แสดงอย่างนี้แม่ของท่านอาดีตภรรยาของท่านก็แสดงอย่างนี้เรับท่อาจ ะ, จะาแสดงลักษณะเดียวกันหมดเลยทุกคนก็ได้บรรลุธรรมเป็นการปูพื้นฐานแสดงลักษณะการพูทธรรมะของครูบาอาจารย์นะถ้าเห็นในพราน อยากให้เขาเลิกอก็ชี้โทษเดี๋ยวโอ้ยไปทําอย่างนี้ไม่ดีนะต้องมีจิตเมตตานะเนี่ยใจเขาใจเรานะเนี่ยเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตเนี่ยเรารักชีวิตเราไหมมีคนมาเบียดเบียนเราชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อย่าไปเบียนคนอื่นเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนเราเนี่ยก็พูดเรื่องอย่างนี้ให้เขาในเรื่องศีลธรรมให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจเห็นโทษโอ้จริงนะเนี่ยลูกของเราเรารักไหมรัก เนะี่ยเออถ้าเรารักลูกคนอื่นเขารักลูกเขาไหมมันก็ตอบได้ไม่ยากเนะี่ยเมื่อเรารักลูกของเราคนเหนือเขารักลูกของเขาเนะี่ยเ อ, อ, เ อ, อหรือเรารักสุขเกียดทุกคนอื่นก็เหมือนกันเนะี่ยลักษณะนี้ก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นจงอยู่ในศีลธรรมในความดีนี่ก็พูดง่ายๆแบบปู่พื้นฐานจิตใจ เมื่อใจใจสูงขึ้นนึงพูดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยแม้อยู่ในศีลในธรรมแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าหมดทุกข์นะพื้นฐานในศีนลธรรมของชาวบ้านนี่ยต้องยกระดับจิตสูงขึ้นไปอีกเนี่ยสูงขึ้นไปก็พูดเรื่องอริยสัจเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องปัญญาปัญญาที่จะพ้นทุกข์ได้หรือว่า ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรต้งอยงยาธิบายให้เห็นได้ว่าเนี่ยเพราะอุปาทานความยึดความมั่นความไม้ในสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะได้พูดขยายความออกไปเนี่ยในนี้ว่าเป็นการเทศโดยลําดับสแสดงธรรมโดยลําดับถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาศรัทธานี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ย ดังที่เราได้ฟังบางคนเขามีอุปนิสัยแต่มันไม่ลึกมากเพียงแต่เกิดศรัทธาเรื่อมใสความศรัทธาเรื่อมใสก็เป็นปัจจัยนาไปสู่การปฏิบัติเบื้องสูงได้เหมือนกันเพราะว่าศรัทธาในทางที่ถูกแล้วเนี่ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่พึงพอใจ เ, เหมือนภาษารีบุตรท่านไปโปรดแม่ท่านเพียงแต่ดึงแม่ท่านก็มาได้นี่ย เข้ามาศรัทธาต่อพระรัตนตัยได้ท่านว่าเพียงพอเพียงพอที่จะส่งแม่ไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้ท่านก่อนนิพพานเนี่ยนั่นคือว่าดึงเข้ามาสู่ทางเนี่ยทาหลวงพ่อชานั้นใส้คำนวนว่าเหมือนที่ท่านเรียกพุทธบริษัทมาเนี่ขออภัยท่านว่าเหมือนดึงสัตว์ที่มันกินหญ้ามาใส่สนามหญ้าท่านบอก ถ้าเป็นสัตว์ ท, ที่ที่มันกินหญ้ามันก็กินหญ้าเก็ไม่ต้องลําบากเนี่นี่เพราะว่ารู้ว่าสัตว์พวกนั้นมันกินหญ้าอแต่ถ้าดึงสัตว์ที่ไม่กินหญ้ามายังไงมันก็ไม่กินนะ <c oughs> ถึงบอกว่าสำเนากินแสนจะขมก็เขาหักกันนั่นอีกอันนึงดัง <c oughs> นั้นก็ต้องดูปณิสัยปัจจัยของเวไนยสัตว์แห่พระวจนะเจ้าทาตัดอย่างนั้น น่าจะสมควร น, นะมั่งเนะ <laughs> เาะเดี๋ยวไหว้พรนะเนี่ย